วรมหาวิหารในพระบรมราชูปธรรมได้จัดงานถวายสังฆทานเพื่ออุทิศให้แก่บรรพบรุษผู้ที่ได้ปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ บรรพเษล่านั้นเขาต้องต่อสู้ทำสงครามต้องทำบาเพื่อที่จะปกป้องรักษาประเทศชาติให้พวกลูกหลานอย่างพวกเราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขพวกเราถึงได้สำนึกในบุญคุณ ของบรรพบุรุษผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเราก็มาร่วมทาบุญถวายสังฆทานเพื่อจะได้บิช์บุญให้แก่ท่านผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเป็นประเพณีที่ทางวัดได้จัดมาอย่างสมครเสมออย่างต่อเนื่อง ในทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกๆปีปีนี้วันอาทิตย์ที่สองก็ตกลงที่ตรงตรงวันตรงกับวันที่สิบสองมกราคมก็คือวันนี้บนที่เราทำนี้เราสามารถอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปนะไปแล้วได้ ผู้ที่ลงับไปนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในฐานะใดถ้าเขาทำบุญมากกว่าทาบาปเขาก็จะอยู่ฐานะดีเช่นเป็นเทพขั้นต่างๆแต่ถ้าเขาทำบาปมากกว่าทำบุญเขาก็อาจจะต้องอยู่ในฐานะที่ลำบาก ก็คืออยู่ในบายอาจจะเป็นเปรตบ้างอาจจะเป็นเตระชานบ้างอาจจะยังติดอยู่ในนรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ได้ทำไว้นั้นมีมากมีน้อยเพียงไรผู้ที่จะรับผลบุญที่เหลาอุทิตไปได้นี้ต้องอยู่ในฐานะของขอทาน คือเป็นเปรตนี่เองเปรตนี่คือขอทานทางจิ ต, ตวันิญญาณเป็นผู้ที่เร่ร่อนไปขอรอรับ <c oughs> ส่วนบุญของผู้อื่น <c oughs> เพื่อจะได้มีความสุขบ้างแต่ถ้าผู้ที่ได้ทําบุญมามากกว่าได้ทําบาปเวลาตายไป ก็จะมีบุญซึ่งเป็นเหมือนรัพบติดตัวไปก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานทางจิตวิญญาณไปเป็นเศรษฐีทางจิตวิญญาณก็คือเป็นเทวดาขั้นต่างๆหรือเป็นปรองค์ขั้นต่างๆหรือถ้าทำบุญขั้นสูงได้คือขั้นภาวนาขั้นปัญญาก็จะได้ ไปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆนี่คือเรื่องของผลของบุญของบาปที่พวกเราได้ทำกันในแต่ละวันก็จะค่อยสะสมกันไปเหมือนกับบัญชีเงินฝากกับบัญชีเงินกู้บุญนี้ก็เป็นเหมือนบัญชีเงินฝาก ส่วนบากนี้ก็เป็นเหมือนบัญชีเงินกู้คือเราต้องใช้นี่เงินที่เรากู้มาเราต้องใช้คืนเข้าไปส่วนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารเราก็สามารถเบิกออกมาใช้จ่ายได้อย่างสบายเวลาเราขาดแคลนหรือต้องการอะไรดังนั้นขอให้เรา มีบัญชีเงินฝากมากกว่าบัญชีเงินกู้ก็แล้วกันแล้วเราจะไม่ขาดทุนแต่ถ้าเรามีบัญชีเงินกู้มากกว่าบัญชีเงินฝากเราก็จะติดลบติดหนี้ติดสินเวลาเราตายไปเราก็จะต้องไปใช้หนี้ใช้เวนใช้กันจึงต้องไปเกิดในอบาย ถ้าบัญชีบาปของเรามีมากกว่าบัญชีบุญดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามันทำบุญกันอยู่เรื่อยๆทำกันทุกวันทำให้เป็นนิสัยแล้วก็มันรักษาบาปทุกวันเช่นเดียวกันคือพยายามรักษาศีลห้าไว้ให้ได้ทุกวัน ไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรยาาวกานกระทมทั้งห้าข้อนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นตรงไหนอย่างตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้โกหกพูดปดไม่ได้เสพสุรายาเมา ทำไมจะทำต่อไปไม่ได้พยายามทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนเราหลับไปแล้วเราจะได้ไม่มีบัญชีเงินกู้ที่เราจะต้องไปใช้นี่ต่อไปเวลาเราตายไปเราจะได้มีแต่ทรัพย์มีเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร คือบุญติดตัวเราไปบนนุญนิแลที่จะทำให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพขั้นต่างๆแล้วถ้าเราทำบุญระดับสูงกว่าการทำทานได้คือถ้าเราบําเพ็ญภาวนาได้ทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็จะได้ไปเกิดขั้นของพรหมต่างๆ แล้วถ้าเราบำเพ็ญทมข้างสูงกว่า น, นั้นได้คือจเจริญปัญญาทำให้มีดวงตาเห็นธรรมทำให้เราเห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากของเราและถ้าอยากจะไม่ให้ทุกข์เราก็ต้องละความอยากวิธีละความอยากก็คือต้องทำใจให้สงบ ต้องนั่งสมาธิแล้วก็ต้องต่อสู้กับความอยากด้วยการสอนใจให้เห็นว่าความอยากนี้ไม่สามารถนําพาเราไปสู่ความสุขได้เพราะสิ่งที่เราได้จะให้ความสุขเราเพียงชั่วคราวเพราะว่าสิ่งที่เราได้ทุกอย่างนี้ อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่ถาวรไม่เที่ยงแท้แน่นอนได้อะไรมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องสูญเสียไปเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราได้มาที่เรารักเราชอบเราก็จะเศร้าโศกเสียใจถ้าเราเห็นว่า สิ่งที่เราได้มาจะให้ความเศร้าโศกเสียใจกับเราเราก็จะได้ผักห้ามจิตใจไม่ให้ไปอยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะได้ไม่ต้องมาร้องโหงร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจกับสิ่งต่างๆนี่คือความรู้ที่เรียกว่าปัญญาหรือดวงตาเห็นธรรม ผู้ที่มีความรู้อย่างนี้ก็จะสามารถตัดภพตัดชาติให้หมดไปได้เพราะภพชาตินี้เกิดจากความไม่รู้ว่าความอยากต้ตสต่างๆจะเป็นผู้ผลักดันให้เราต้องไปเกิดตามบุญตามบาปที่เราทำกันเอาไว้ดังนั้น พระพุทธเจ้าผู้ทรงตัดสรุความจริงเกี่ยวกับเรื่องภพชาติต่างๆทรงผู้เป็นผู้ตัดสรุปความจริงเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราจึงได้นำเอาความจริงนี้มาสอนให้กับพวกเราเพื่อให้พวกเราได้นำเอาไปปฏิบัติ ถ้าเราปฏิบัติได้ชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขและมีความเจริญขึ้นไปตามลำดับและภพชาติที่เราจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะมีน้อยลงไปตามลำดับและหมดไปได้ในที่สุดพอเราไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ กับความเจ็บกับความตายไม่ต้องมาทุกข์กับเหตุการณ์วุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้อยู่แทบทุกวันพวกเราเนีกินไม่ได้นอนไม่หลับว่าทภาวาไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็เพราะว่าเรามาเกิดในโลกนี้กันนั่นเองถ้าเราไม่มาเกิดในโลกนี้ เราก็ไม่ต้องมาหวาดภาวามากังวลมาวิตกมาวุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ที่มีมาอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยโบราณอดีตการอันยาวนานหรือสมัยปัจจุบันหรืออนาคตที่จะตามมาโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้ เขามีเรื่องวุ่นวายอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่อยากจะมาวุ่นวายมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆของโลกนี้ ม, มีทางเดียวเท่านั้นก็คือเราก็อย่ามาเกิดในโลกนี้<ม>เราอยู่กับพระพุทธเจ้าดีกว่า<ม>ที่อยู่ของพระพุทธเจ้านี้<ม>เป็นที่มีแต่ความสมบมเป็นที่มีแต่ความสุข<ม>เป็นที่มี สิ่งที่จะทําให้เรานั้นเย็นสบายไม่วุ่นวายใจมีความอิ่มน้ําสําราญใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดถ้าพวกเราอยากจะไปตามพระพุทธเจ้าพวกเราก็ต้องทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือเหมัอนทําบุญอยู่เรื่อยๆทําบุญอยู่ทุกวัน เช่นถ้าใส่บาตรได้ก็ใส่บาตรทุกวันถ้าไม่มีพระมาให้ใส่บาตรหรือไม่สะดวกจะใส่บาตรก็เอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระป๋องอไว้ก่อนก็ได้ใส่ไว้ทุกวันทำให้เป็นนิสัยแล้วพอเวลาเรามีโอกาสมาวัดเราก็เอาเงินที่เราใส่กระปุกใส่กระป๋องนี้ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหาร มาถวายพระเนรที่อยู่ในวัดก็ได้หรือจะถวายเงินทองให้กับวัดเพื่อเป็นการบุญบุรนะซ่อมแซงรักษาวัดวาอารามให้อยู่ไปนานๆก็เป็นถือว่าเป็นการทำทานได้บุญเหมือนกันเหมือนกับได้ใส่บาตรทุกวันการที่เราจำเป็นจะต้องทำทุกวันเพราะว่า มันจะได้ติดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะได้สิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเราทุกวันเพราะการทำทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการให้อาหารแก่จิตใจของเรานั่นเองให้น้ำกับต้นไม้ถ้าต้นไม้ได้รับน้ำทุกวันต้นไม้ก็จะมีความชุ่มชื่นมีความเจริญก้าวหน้า จเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าเรานานๆลดน้ําสักครั้งหนึ่งต้นไม้ก็จะไม่เบิกบานอาจจะเฉาไปหรืออาจจะตายไปก็ได้ใจของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องทําบุลทุกวันให้ทานทุกวันจะให้ใครก็ได้ถ้าเราไม่ได้มาวัดเราอยากจะให้ คนใกล้บ้านใกล้ตัวเราก็ได้เช่นเราก็มีพระอยู่สองรูปอยู่ที่บ้านพระของเราคือใครก็คือพ่อแม่ของเรานี่ที่เป็นเหมือนกับพระพรหมของพวกเราทําทานทําบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าได้ทําบุญกับพระพรหมหรือพระอาหารหันต์เลย ดูแลพ่อแม่ของเราอย่าให้โอดอยากขาดแคลนอย่าให้ท่านลำบากลําบนเรามีอะไรเราทําอะไรให้กับพ่อกับแม่ได้ขอให้เราทําไปทําได้ทุกวันก็ยิ่งดีเช่นบางท่านอาจจะมีพ่อแม่ที่ชราภาพหรือเจ็บไข้ได้ป่วยที่เราจําเป็นจะต้องคอยดูแลคอยให้อาหาร คอยอาบ น, น้ำอาบท่าให้ก็ขอให้เราคิดว่าเรากำลังทำบุญเราได้บุญมากมากกว่าไปทำบุญกับพระนอกบ้านเสียอีกดังนั้นเราควรจะทำอยู่เรื่อยๆทำแล้วจะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราพยายามทำบุญกันทุกวันบาป ก, ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องรักษาศีลให้ได้ทุกวันเราต้องละเว้นจากการทำบาปให้ได้ทุกวันเพราะการทำบาปนี้จะมีแต่โทษกับเราสิ่งที่เราได้มาจากการทำบาปนี้ไม่คุ้มกับโทษที่เราจะต้องไปรับ เช่นเราได้เงินมาได้สิ่งที่เราอยากได้มาได้แฟนได้คนนั้นคนนี้มาด้วยการไปแย่งสามีหรือภรรยาของผู้อื่นมาอันนี้ความสุขที่เราได้นี้จะไม่คุ้มกับความทุกข์ที่เราจะต้องรับต่อไปเพราะว่าเราจะต้องไปใช้กรรมในอาบาลไปเกิดต่อไป ไปเกิดในภพที่ไม่ดีนั่นเองดังนั้นขอให้เราเระลึกถึงผลบาปที่จะต้องตามมาอย่าไปคิดว่าตายไปแล้วเมื่อร่างกายตายไปแล้วก็จบเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเราอีกครึ่งหนึ่งของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย สิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกายเราเรียกว่าใจใจก็คือผู้รู้ผู้คิดอยู่นี้ผู้ที่กําลังฟังเทศฟังธรรมอยู่นี้ก็ไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่ฟังผู้ที่รู้เรื่องว่ากําลังฟังอะไรอยู่นี้คือใจร่างกายไม่มีความสามารถที่จะรับรู้อะไรได้นอกจากเป็นสื่อรับเสียงเข้าไปในหู แล้วก็ส่งไปที่ใจอีกทอดหอนึ่งเท่านั้นเป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหวา่างระหวา่างฝั่งสองฝัง่งถ้าไม่มีสะพานก็ไม่สามารถที่จะเดินติดต่อจากฝั่งหนึ่งไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้ถ้าไม่มีร่างกายใจก็จะไม่สามารถฟังเสียงธรรมที่กำลังแสดงอยู่นี้ได้ แต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่รับรู้รับฟังแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอะไรร่างกายตายไปก็ไม่ได้ทำให้ผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆผ่านทางร่างกายนี้ตายไปด้วยผู้ที่รับรู้นี่แหละเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆ เช่นไปฆ่าไปรักทรัพย์ไปไประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงหรือไปเสพสุรายาเมาเมื่อสั่งให้ร่างกายทำแล้วใจก็จะเป็นผู้รับผลของการกระทำทันทีเวลาทำบาปขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเวลาทำบุญใจก็จะเย็นใจจะสบายขึ้นมาทันที แล้วก็ความเย็นหรือความทุกข์ใจนี่แหลที่จะเป็นนรกหรือเป็นสวรรค์ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าบาปมีจริงบุญมีจริงผลของบาปผลของบุญมีจริงทำบาปแล้วจะต้องไปใช้กรรมในอบาบัยเป็นความจริง ทำบุญแล้วไปรับผลบุญในสวรรค์ก็เป็นความจริงเพราะว่าผู้ที่รับผลบุญผลบาทนี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้รับผลบุญผลบาปร่างกายเวลาตายไปก็จะกลายเป็นขี้เท่าไปแต่ผู้ที่รับผลบุญผลบาทนี้ไม่ได้ตายยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ตามบุญตามบาปต่อไป ถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะดึงไปสู่สวรรค์ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญบุญก็จะดึงไปสู่อาบายอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างที่ได้แสดงไว้อย่างแน่นอนดังนั้นถ้าเราเชื่อเราก็จะได้ไม่ทำบา เราจะได้ทำแต่บุญแลําพอเราตายไปเราก็จะได้บุญพาไปแต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะทำบาปเพราะเราเวลาเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่สามารถได้โดยวิธีที่ไม่ทำบาปเราก็จะกล้าทำบาปเพราะเราคิดว่าทำไปแล้วก็เหมือนกันตายไปก็จบเหมือนกัน ไม่มีอะไรต้องไปชดใช้ต่อไปนี่คือคนที่ชอบทำบาปจะคิดอย่างนี้จะคิดว่าตายแล้วสูงรตายแล้วไม่มีอะไรที่จะตามมาต่อไปเพราะว่าคิดว่าร่างกายคือตัวเราคิดว่าเมื่อร่างกายตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปรับผลของบุญหรือบาปที่เราทำไว้แต่นี่คือความหลงผิด พราะผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปนี้คือใจมีพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ได้ปฏิบัติจิตภาวนาที่สามารถที่จะเห็นจิตเห็นใจได้ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติจิตภาวนาเราจะไม่เห็นจิตเห็นใจเลยดังนั้นถ้าเรายังไม่ได้เห็นเราก็ควรเชื่อคนที่เห็นจะดีกว่า เราก็เป็นเหมือนกับคนตาบอดนี้เองส่วนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านก็เป็นเหมือนคนตาดีเวลาเราจะไปไหนมาไหนถ้าเราตาบอดถ้าเราไม่มีคนตาดีพาไปเราจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระสาวกทั้งหลาย เพราะท่านเป็นผู้ที่เห็นนรกเห็นสวรรค์แล้วท่านเป็นผู้ที่เห็นการกระทำบุญและการกระทำบาปว่าเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจของพวกเรานี้จะต้องไปรับผลบุญผลบาปในสวรรค์ในนรกต่อไปถ้าเราไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องไป รับผลบาปก็จะไม่มีใครมาช่วยเราได้และขณะที่มีชีวิตอยู่เราก็ไม่สามารถลบล้างบาปที่เราทำไว้ได้มีเพียงอย่างเดียวที่เราทำได้ก็คือพยายามทาบุญให้มากกว่าบาปที่เราทาไว้เพื่อเราจะไดะ้ผ่อนเวลาของการไปรับผลบาปไปก่อนรอเวลาไปก่อนเหมือนกับ เวลาทำผิดกฎหมายแล้วถูกลงโทษถ้าเราทำความดีมามากศาลก็อาจจะให้รอลงอาญาไว้ก่อนยังไม่ต้องไปติดคุกติดตรางฉันใดถ้าเราพยายามทำบุญให้มาให้มากกว่าบาปไว้เรื่อยๆเราก็ยังไม่ต้องไปรับผลบาปแต่ถ้าเวลาใดที่ เราทำบุญน้อยกว่าทำบาปเวลาเราตายไปเวลานั้นเราจะต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนดังนั้นไม่ว่าบาปกรรมที่เราเคยได้ทํำมาไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้มีมากน้อยเพียงไรก็ตามถ้าเราไม่อยากจะไปใช้กรรมในอบายไม่อยากจะไปตกนรก ก็ขอให้เราพยายามทําบุญให้มากมากๆไว้ให้มีบุญมากกว่าบาปให้ได้ตอนที่เราตายเราจะได้ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมในอาบายแต่บาปกรรมที่เราทําไว้นี่ไม่ได้หมดไปเพียงแต่ว่ารอเวลาให้บุญมันมีกําลังน้อยกว่าบาปเท่านั้นถึงจะได้ไปใช้กรรมในอาบาย แต่ถ้าเราพยายามทำบุญให้มากๆจนในที่สุดเราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเราก็ไม่ต้องไปใช้บาปใช้กรรมได้เช่นองคุลิมานี่เป็นตัวอย่างองคุลีมานี่ก็ได้ฆ่าคนถึง999คนด้วยกันแต่พอมาพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนให้องคุลิมาเปลี่ยนใจ ให้เลิกทำบาปแล้วก็ให้ทำบุญให้ปฏิบัติธรรมจนสามารถตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจได้พอความอยากไม่มีภายในใจแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกต่อไปบาปที่ได้ทำไว้ยอย่างโชคโชนก็ไม่มีโอกาสที่จะส่งผลได้เพราะว่าใจขององคุลิมานี ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนั่นเองนี่คือวิธีเดียวที่จะทําให้พวกเราไม่ต้องกลับไปเกิดในอาบายอีกต่อไปถ้าเราสามารถทําบุญตั้งแต่บัตรดีไปทําแต่บุญแล้วไม่ทําบาปแล้วก็ปฏิบัติทำให้ได้นั่งสมาธิให้ได้จเจริญวิปัสสนาจเจริญปัญญาเพื่อตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจให้ได้ แล้วบาปทั้งหลายที่เราเคยทำมาอย่างโชคโชนจะไม่สามารถส่งผลให้กับเราได้อีกต่อไปนี่คือเรื่องของจิตใจที่เวลาออกจากร่างกายไปแล้วก็จะกลายเป็นดวงวิญญาณไปแล้วก็จะไปรับผลบุญผลบาปต่างๆที่เราได้ทำกันไว้ในวันนี้พวกเราก็มาทำบุญกัน ทำเพื่อตัวเราเองและทำให้แก่บรรพบรุษผู้ที่ได้ร่วงรับไปแล้วขอให้เราพยายามทำอยู่เรื่อยๆแล้วรับเราได้ว่าภพชาติของเราจะมีแต่ภพที่ดีตามมาอยู่เรื่อยๆอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแกงเวลาจงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีีรัตนตรัย